ท่านฟังที่เคารพคะรายการสัสมนาสนท น, นามาถึงช่วงที่สองกันอีกแล้วคะ่ะผ่านไปก็คือพระมาร์คชาควโรวัดนาปพงลำลูกาคลองสิทธ์ตอนนี้ก็จะไปถึงวัดป่าดอนหายโศจออดอุดรธานีนะคะก็คือพระภัยบุญอภิปุลโ น, โนกราบนมัสการค่ะท่านคะเรือนบอค่ะเปิดพื้นที่ถูกปิดด้วยผู้ธวัจนะในวันนี้มีคําถามมารอยอยู่แล้วนะคะเป็นคําคถามของผู้ปฏิบัตินะคะท่านคะอืม ซึ่งท่านก็ต้องการจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติของท่านหลายข้อเหมือนกันนะคะชื่อใช้เลขนะคะเนี่ยเบอร์49สเงสัยเป็นผู้ปฏิบัติของท่านหมายเลข49เนะคะเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในการหลีกเล่นนั่นแหละแล้วก็เห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยเออกมาคุยในรายการค <c oughs> ่ะท่านผู้นี้บอกว่าขอกราบน้อมสักการเรียนถาม่าการขับสมาธิ และการออกจากสมาธิอย่างฉลาดนั้นปฏิบัติอย่างไรคะอ๋อเอาดีละประเด็นก่อนเนาะเอาเข้าสมาธิและออกจากสมาธิก่อนค่ะคำ ว, ว่าฉลาดเนี่ยอย่างสมมติเวลาเราขับจักรยานเนี่ยนะเอเราขับจักรยานตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเออมันจะต้องหน่วงตัวไปยังไงไปต้องทรงตัวยังไงพวกอะไรต้องจับยังไงเขาก็จะอธิบายว่ า, าพวกอะไรต้องตรงนะอไปถึงไอ้ A A, ที่บังคับอนะแฮนด์บังคับเนี่ยนะ แล้วก็คุณจะต้องตั้งไอคันคันเขาเรียกบันไดจักรยานนี่นะที่มุมนี้นะอย่าไปตั้งหลังมันจะไม่มีแรงนะเ น, นี่ยแล้วก็จะมีข้อมูลเช่นว่าเอาคุณถนัดขาไหนเอาขานั้นตั้งไว้นะอีกขาหนึ่งไว้เยือนพื้นไว้อย่างนี้น ะ, ะแล้วก็นอกจากนี้น้ําหนักต้องถวงไปข้างหน้านะมันถึงจะไปข้างหน้าได้เนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราว่าอ๋อทาให้เราสามารถที่จะฉลาดในการที่จะออกตัวรถจักรยานได้เหมือนกันอย่างเช่นเดียวกันเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยคุณรู้รรหรือเปล่าว่าองค์ประกอบไอพวกเนี้ย ของสมาธิเนี่ยมันมีมากกว่าขับจักรยานที่เราพูดกันไปสีหข้อนี้อีกเนะีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าเอา่อเราเราจะเข้าสู่สมาธิอย่างเงี้ยเอ่อคุณรู้ไหมว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ค, คิดเรื่องอะไรบ้างรู้เปล่าในจิตของตัวเองในคิดเรื่องนี้ระอากังของจิตเป็นยังไงหลนะเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาก่อนจะเข้าเนี่ยเอ่อคุณอารมณ์ก่อนหน้านะั้นเป็นยังไงคุณกินข้าวมาพอประมาณไหมมีการฟังธรรมะหรือเปล่าอยู่ในสีนสนาันะสงัดหรือเปล่าโอ้โหนี่เป็นรายละเอียดเ ย, ยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลย นะถ้าเรารู้หมดนี่ก็รู้ยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งฉลาดขึ้นนะอันนี้พูดถึงการเข้าสมาธิแนะเราพูดถึงการออกสมาธิอะไรอีกอคุณกําหนดเวลาออกได้พอดีไหมนะบางคนอยากออกหนึ่งชั่วโมงก็ออกได้เลยบางคนสนาทีทําเป๊ะพอดีบางคนเวลาจะตื่นอย่างเงี้ยแค่ไม่ต้อ ง, งตั้งนาฬิกาปลุกแตนะ่วันนี้ฉันจะตื่นตีสี่พรุ่งนี้นเช้าฉันจะตื่นตีสีนอนปุ๊บขึ้นมาปุ๊บตื่นเลย นะซึ่งตรงนี้เป็นการออกจากสมาธิเหมือนกันลักษณะหนึ่งเช่นว่าเราสามารถกำหนดเวลาออกได้อย่างชัดเจนนะจิตขณะออกเป็นยังไงนะมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในจิตขณะออกบ้างแล้วในขณะที่ออกนี้เคุณลืมตาหรือหลับตาเราก็มีสภาวะใดๆเกิดขึ้นบ้างกำหนดบทพิจารณาได้ไหมหรือเป็นอารมณ์ใดๆเนี่ยรายละเอียดที่มันจะต้องมีทําให้เราค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปเราก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นค่อยๆฉลาดขึ้นนะ เ, เวลาที่เราเรียนหนังสือคุณโยมติวไม่ใช่ว่าคุณอยู่ปอลหนึ่งเรียนปุ๊บแล้วคุณจะเอาปีหน้าฉันจะไปปอหกแล้วมันไม่ได้นะมันก็ค่อยๆยก <ok S 1> เว้นบางประเภทนคะคะอ่ามันก็คนที่ฉลาดมากคือเป็นคนที่อินซีสูงมากคะนะซึ่งก็จะอยู่ในแถวๆก็ไอ้บริการพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้นะฉลาดก็คืออย่างที่ว่าเอถามว่าคนฉลาดจะทํายังไงให้ฉลาดอันนี้น่าสนใจกว่านะว่าเออเราไม่ค่อยฉลาดเราจะทำยังไงให้ฉลาดขึ้น เวลานักวิชาการเขาสอนวิธีการเรียนหนังสือให้ฉลาดเนี่ยเขาก็พูดถึงการที่ทําบ่อยๆทํามากๆนะท่านพระอ น, นุนได้เคยพูดถึงองค์ประกอบที่เรให้เป็นผู้ผู้สูตรนะคือผู้ที่รู้มากนั่นะคือการศึกษาอย่างละเอียดศึกษาอยู่บ่อยๆศึกษาอยู่ซ้ำๆศึกษาอยู่ยํำๆทําอยู่นั่นแหะทําอยู่นั่นแหนะเราก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดขึ้นมาได้ <c oughs> บางคนเนี่ยทำแล้วไม่ได้ก็เลยหมดกําลังใจไม่ใช่ นะมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากี่ครั้งที่เราพลาดแต่มันอยู่กี่ครั้งที่เราลุกทั้งหาลุกที่มาทําให้มันสําเร็จขึ้นได้ให้มันเกิดขึ้นได้นะคนฉลาดเขาก็โง่ ม, มาก่อนนั่นแนะ่นะเนาะคนจะพูดถูกได้อ่ะเขาก็อ่านผิดมาก่อนทั้งนั้นแนะ่ะใช่ไหมอ่านผิดไปหลายรอบแล้วคุณก็อ่านถูกได้เองเนาะค่ะ ค, คุณยมติ๋วพูดเก่งเนี่ยสมัยก่อนออก็ต้องผ่านประสบการณ์ที่ตัวเราพูดผิดบ้างประสบการณ์ที่เราประมา่าบ้างก็มีถูกไหมเราผ่านตรงนั้นมาบา่อยๆสบายละ นะ no. สมาธิเหมือนกันไม่ต่างเลยค่ะถ้าเท่ากับว่ามีการเข้าสมาธิและออกจากสมาธิอย่างฉลาดเนี่ยก็เป็นเป็นลักษณะที่ท่านพิบูลพูดคือมันมีมีเขาเรียก อ, อะไรคะมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบของเขาอืมนะคะเพียงแต่ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดมาแล้วมีมีอินทรีย์บรารมีที่จะได้รับเลย ทันทีทันดใด<ช>แต่ก็คงมีมังค่าคนที่พิเศษมากมีมีก็คืออินทรีย์เนี่ยมันก็สร้างได้ไงค่ะเออคือถามว่าคุณสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหรถ้าคุณสร้างมานานแล้วหลายภบหลายชาติแล้วไอ้ปัจจุบันนี้มันก็ดีขึ้นถ้าคุณต้องการมีมากใช่ไหมคุณแบบนี้คุณสร้างต่อไปต่อไปคุณก็ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ท่านภบูร์บอกว่าจะฉลาดคือความฉลาดสร้างได้เออแน่นอนแน่นอนสร้างด้วยการทําบ่อยถูตกต้อง ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติธรรมะที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองแนะทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เราพึ่งตนพึ่งธรรมแต่เพราะถ้าพึ่งตนแล้วเนี่ยมันทำให้เราฉลาดขึ้นได้เฉลด่ยที่นี้คือทํายังไงก็ทำบ่อยบ่อยงไงมักเนี่ยเป็นทางที่สิ่งที่ควรทําให้มากทําให้เจริญนะทําให้มากทําให้เจริญก็คือทำบ่อยบ่อยซ้ําๆทําย้ำยๆทําอยู่นัน่นทําไม่เลิกนะปิ๊กก็ทําอยู่อย่างเงี้ยหมายถึงว่าแก้ไขไม่ถูกนะค่ะนั่นก็เท่ากับว่าท่านที่ฟังรายการอยู่ในวันนี้ ก็จึงได้รู้วิธีด้วยว่าจะฉลาดในการปฏิบัติได้อย่างไรใช่นั่นคือการทำแบบ ท, ที่ท่านมาร์กบอกในตอนต้นบ่อยๆอแล้วความรู้ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นความฉลาดจะเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะเราจะค่อยๆสะสมประสบการณ์พอนะถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าเราเริ่มคล่องตัวมากขึ้นมีความคล่องแคล่วมีความว่องไวอันนี้จะเป็นวิธีการที่วัดให ตัวบ่งบอกถึงระดับความก้าวหน้าของเราเลยเหมือนกันอี ก, อกข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่ากะเวลาได้เลยว่าจะออกจากสมาธิตอนไหนใช่ใชอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นความฉลาดขั้นไหนอะคะโอ้อืมไอ้ที่เรียกว่าขั้นเนี่ยมันมันจะไม่ได้บอกว่าเป็นขั้นเป็นขั้นนะคือพระเจ้าจะเน้นที่สติสัมปชัญญะมากกว่าเนะคือเวลาคุณออกเนี่ยบางคนเนี่ยนะพอตีละครังเก้งปุ๊บหมดเวลาแล้วลืมตาโพก่าพระวิ่งออกไปเลย แล้วถามว่าอจิตขนาดนั้นคุณรักษายังไงนั้นคือคือเราจะต้องคอยประคองรักษาอว่าไม่ให้มันให้มันอยู่สภาวะเดิมนีคุณรักษาจิตยังไงออกจากสมาธิเนี่ยนะคือไม่ใช่ปุ๊บปั๊บออกเลยเนี่ยเราต้องค่อยๆอย่างงี้นะยังกับคนทั่วๆไปสมมุตินะคะคนบางคนเนี่ยเขาก็มีความพยายามสูงคืออาจจะไม่มีโอกาสไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ เหมือนกับเป็นบุคคลแต่ใช้วิธีที่อย่างนี้ค่ะอาจจะฟังวิทยุอาจจะอ่านหนังสือเองอแล้วปฏิบัติใ ช, ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ที่จะถามอะไรหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะถามและไม่มีโอกาสที่จะแะสวงหาความกระจา ม, มากกว่าที่อ่านในหนังสือหรือที่ฟังเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะถาม อ, อ่ะก็เลยคิดหาวิธีเอง บางคนก็อจะออกหุวห้วนก็ได้นะคะท่านคะสมาธิเนี่ยคะ <c oughs> ทีนี้การออกสมาธิที่ท่านว่ากําลังดีนี่เป็นอย่างไรคะเราต้องมีสติถามว่าออกหุน้น้วนเนี่ยคือไอ้ตรงที่หุน้น้วนเน่ยคุณมีสติไหมไม่ใช่ว่าค่อยๆอ อ, ออกตรงนั้นตมาต้องกําหนดเป็นเช่ให้ถูกนิดนึงบางทีเราก็ต้องพูดให้ถูกตรงที่ว่าที่บอกออกแล้วเนี่ยคุณรู้มีสติไหมคือบางคนเผลอสติออกด้วยความเร่งรีบเกินไปแตนะ่ต่อให้คุณรีบถ้าคุณมีสติอันนั้นถือว่าใช้ได้ ช้าเร็วไม่เกี่ยวแต่ยางน้อยมีสติในการที่ออกจากสมาธิเมื่อเวลาออกจากสมาธินะคะเราจาเป็นไหมคะที่จะต้องอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาอ่ก็นตอนท้ายเลยค่ะเออจริงๆทำก่อนก็ดีด้วยนะหมายว่าเพราะว่าการส่งกระแสความรักความเมตตาออกไปเนี่ยจะทำให้จิตตั้งมั่นไดเร็วๆนีพุทธเจ้าทำอยู่ตลอดตอนสมัยเป็นบริษัททาอยู่ตลอดเลย นะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําตลอดไม่ใช่เฉพาะตอนออกโดยสามโดยเฉพาะตอนเข้าโดยสามจริงๆควรทําอยู่ตลอดออก็หนดมีสติลึกตรงไหนได้คือทำมีแผลกระสแระสะความรักควไม่ตาเลยวหมอกันเถอะเพราะว่าบางครั้งบางทีได้ยินมาเหมือนกับว่าต้องนั่งสมาธิถึงจะได้มีบุญบา ร, รมีเกิดขึ้นประมาณเนี้ยนะค ะ, ะหรือมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติแล้ว จะทําให้การแผ่เมตตาและการอุทิศบุญมีผลมากคนก็จึงนิยมทำกันตอนท้ายอย่างนั้นไหมคะอ๋อเป็นความเชื่อที่ถูกไหมคะเการที่จะอุทิศได้มากหรือเปล่าเนี่นะมันอยู่ที่ว่าคุณมีไหมก่อนในอย่างเวลาที่เราเราจะอุทิศอะไรคุณจะให้เงินใครคุณต้องมีเงินก่อนนะใช่ไหมเราจะให้ความรักความเมตตาหรือว่าให้ส่วนบุญส่วนกุศลใครคุณต้องมีก่อนนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคุณจะส่งกระแสไปได้ไกลหรือเปล่า อย่างกระแ ส, สนิวิทยุเนี่ยถ้าคุณมีกําลังส่งมากคุณก็ส่งไปได้ไกลเช่เนเดียวกันถ้าจิตของเรามีกําลังมากคุณจะส่งไปได้ส่งไปได้ไกลส่งไปได้มากส่งไปได้เร็วส่งไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ถามว่ากําลังจิตคุณมีไหมเพราะนั้นก็คือตรงที่เรามีบุญมากที่สุดตรงไหนมีบุญมากที่สุดบุญคือชื่อของความสุขนะคุณยมติวบุญคือชื่อของจิ ต, จตที่เรามีความสุขนั่นคืออะไรระดับของความสุขเนี่ยบ่งบอกถึงระดับที่จิตเป็นสมาธิใช่ไหมก็คือหมายว่าจิตที่เป็นสมมาาิกๆ โอ้จิตที่เม็นสมาธิมากๆเนี่ยเป็นจิตที่มีกําลังมากน ะ, ะจิตที่มีกําลังมากเนี่ยแหลมคมมากนะแหลมคมมากมีกําลังมากเนี่ยจะจับจิตเนี่ยไปวางตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นจะจับ<ะ>จิตนี้ไปวางตรงอุเบกขามันก็เป็นอุเบกขาได้จับจิตแบบนี้ไปวางตรงเมตตามันก็เป็นเมตตาให้ได้จับจิตนี้ไปวางตรงความกระตันยูมันก็เป็นความกระตันยูให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาวางไว้ตรงเมตตาใช่ไหมเอาได้วางบนเมตตาปุ๊บกระแสเมตตาพองไปเลย เร็วแรงมากสูงไกลได้ผลแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนไหนอะ่ะเอาตอนที่คุณมีสมาธิมากมากเลยเอาถ้าว่างกันเถอะต้องการให้ได้ผละน ะ, ะอืมค่ะเนาแล้วก็บางคนก็เลยบอกว่าถ้า ง, งั้นทําดักมันสามเวลาเลยโอ้ยิ่งดีตอนเริ่มต้นจะนั่งสมาธิก็เริ่มเลยแบบว่านั่งสมาธิครั้งนี้ตั้งใจนะอืมจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะอุทิศบุญให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลาย แล้องไปถึงตอนกลางมีสติกำลังดีทีหนึ่งก็ระลึกถึงที่จะแผ่เมตตาหรือว่าอุทิศบุญสักครั้งแล้วตอนจบอีกครั้งก็ได้ใช่ไหมคะได้นะระหว่างวันทําด้วยขึ้นเมย์ก็ไม่เว้นนะครับรถยนต์อยู่ก็โอเคทําด้วยรถมอเตอร์ไซค์ปาหน้าเราก็ส่งให้มันด้วยมันกี่มอเตอร์ไซค์ไปนะทนะําทุกเวลาเลยยิ่งดีด้วยซ้ำ <ใน S 2> ดีามากเลยว่าเวลาเขาปานหน้าเขาเมื่อก่อนนี้เคยแอบกบว่าเป็นลงนรกซะสมมตินะคะ <laughs> ตอนนี้ก็บอกขอให้ไปขึ้นสวรรค์อย่างนั้นแหะครับขอให้มีความสุขความสุกขก็นะคะคืออย่าไปคิดไม่ดีกับเขาไม่ได้ถ้าจะว่าไปถูกไหมคะคิดในทางที่ให้เขาเป็นที่ดีกว่าเดิมให้เขามีความสุขคะนั่นแหะคือจิตที่เป็นเมตตาละ่ะและถ้าสมมติว่าเราคิดตั้งแต่ตอนต้นท่านบอกว่าพระพุธองตรัสว่าจะช่วยทําให้จิตตั้งมั่นได้เร็วด้วยอย่างนั้จริงไหมครับเป็นหนึ่งในสิบเอข้อที่ทําให้จิต ที่เป็นผลของการเจริญสมาธิขอไปเ oh. จริญเมตตานะคะงั้น<ม>ไหนๆท่านพูดมาแล้ว11บเอ็ดข้อที่พูดไปก็ควจะเป็นข้อเดียวนะคะใช่ที่เหลืออีกสิทธ์ท่านพอจะเมตตา<อ>ใหรู้พวกเรา ไ, ได้ได้หนึ่งในนั้นก็จะมีทําให้เป็นที่รักของมนุษย์ ค, นะคนที่อย่างหัวหน้าอย่างเงี้ยเขาดา่าเราว่าเราอภัยไม่ตายให้เขาเราจะเป็นที่รักของเขาได้นะสองเป็นที่รักของอมนุษย์มนุษย์นี่มีอะไรบ้างนะที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดเลย S <S <S นะสัตว์ในเดือานยุงมันกัดแล้วหมากแผลไม่ตายให้เขาแตเขาก็จะไม่เบียดเบียนเรานะคือรักเราเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าแพรมเข้ามาหานะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เบียดเบียนกันนะสามเทวดารักษานเะทวดารักษาคือเขาเรียกว่าเทวดาที่รักษาตัวเราเนี่ยก็จะมีความรักกับเรานะ <S <S นะสี่ก็จิตตั้งมั่นได้รวเร็วใช่ไมห้า <S <S ก็ยาพิษก็ดีสัตว์ราก็ดีอะไรพวกนี้ทําอันตรายเราไม่ได้หมายถึงว่ามันจะคล้วคลาดไป แปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นลดชะชนก็อุดวิตไปอย่างเงี้ยนะจะเกิดอบัติเหตุก็อุดวิตไปอย่างงี้เราก็ยังจะทําให้ผิวหน้าผุดผ่องผิวพรรณผุดผ่องใครต้องการหน้าเด้งใครต้องการดูอ่อนกว่าวัยก็จะเลยไม่ตาบ่อยๆเราก็ทําให้ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายตื่นเป็นสุขตื่นเป็นสุขด้วยใช่แล้วก็เมื่อตายไปเนี่ยก็เข้าถึง เทวดาเขาไปเป็นพรหมนะย่อมเข้าถึงพรหมโลกถ้ายังไม่เรารู้คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปก็ถ้าเจริญเมตตาเฉยๆอย่างเดียวนี่เป็นพรหมได้เลยถูกต้องถูกต้องนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทําเป็นประจําเราก็จะได้ผลในนิส ง, ง์ต่างๆเหล่านี้อย่างส่วนตัวของอาตมาที่ที่เราทำแล้วได้เห็นจริงๆอยางจั ง, ง, จ ง, ง, จงเนี่ยก็คือว่าอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะพบเลยว่าสีหน้าผุดป่องแต่ยังพระสงค์ไม่ได้แต่งหน้านะ แล้วก <S the stream> ็บางท่านเนี่ยอายุมากจริงเฮ้แต่ก็ยังดูผิวหน้าผุดผ่องชมพูคือมีจุดเป็นกรากก็จริงแต่มันมีความอิ่มเอิบอยู่ภายในอันนี้เป็นนะพระออกจากสมาธิเช้าๆอย่างเงี้ยแล้วนั่งนับตาแล้วเปพิณปาร์เีโอ้ยมีความผุดผ่องอยู่ในอยู่ในลักษณะท่าทางของท่านนะนะค่ะคือดิฉันเองเนี่ยเคยได้พบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีชื่อเสียงอยู่รูปหนึ่งนะคะรีย ญาติโ ย, ยมก็นิยมที่จะไปกราบไปขอธรรมะบ้างไปให้ท่านช่วยสอนสมาธิอืมไปแรกๆนะคะก็เห็นท่านลักษณะหนึ่งพอไปหลังๆเนี่ยโอ้โหท่านสว่างดูชดูผ่องไม่ไม่ทราบจะพูดยังไงเดียวนะคะแต่ว่าดูว่าอุย้ยทําไมถึงเวลาผ่านไปเนี่ยไม่ได้ทําให้ท่านดูร่วงโรยเหี่ยวย่นใช่แต่กลับดูผุดผ่องไม่ใช่เศร้าหมองลงไปกว่าเดิม นี่เป็นความลับนะคุณโยมติ๋วเราไม่ต้องใช้บอท็อกซ์เลยบท็อกซ์ยังต้องมาปิดแต่อันนี้เราสบายๆ บ, บอกให้ใครรู้ก็ได้ค่ะตน้นครับพอดีดิฉันทําผิดเปิดข้อหนึ่งคือไม่ได้ดูเวลาในตอนเริ่มต้นก็ไม่ทราบว่าเหลือจะพูดได้อีกสักกี่นาทีอตอนนี้ค่ะ อ, อีก2นาทีสรุปเลยก็ได้คุณโยมติว๋ว อ, อ๋งนั้นเลยขออนุญาตเลยได้ไหมคะได้นว่าวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าทําอย่างไรถึงจะฉลาดในการเข้าออกจากสมาธิ ถ้าไม่รู้พระสูตรนะคะก็ใช้วิธีที่ท่านเปรบุญบอกว่าให้ทำบ่อยๆและการเจริญเมตตาจะช่วยให้เราเกิดสมาธิได้ดีมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นแถมยังมีคุณณสมบัติอย่างอื่นดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพิ่งจบเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะไม่ต้องสรุปกันแต่ที่อยากจะกราบเรียนถามท่านก็คือเรื่องของการที่ท่านกำลังจะมีการทอดกถินที่วัดนะคะแล้วก็ได้กราบเรียนถามท่านไว้เกี่ยวกับเรื่องของอ่า ว่าจะขอเบอร์บัญชีท่านนั่นส่งมาแล้วดรฉันขออนุญาตพูดเลยได้ไหมคะได้ๆๆกระถินจะเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะท่านถออีกครั้งหนึงคะเอ่อวันที่11พฤศจิกายน11พฤศจิกายนจำํำง่ายๆคือวันที่11เดือน11ใช่นะคะวันที่11เดือน11ของปีนี้วัดป่าดอนหายโศกถ้าท่านใดสนใจจะร่วมทําบุญเนื่องจากดิฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองท่านส่งตรงไปเลยดีกว่านะคะที่บัญชีวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรบิ๊กซีนะคะสาขาอุดรบิ๊กซีหมายเลข950 0 950แล้วขีด0ค่ะแล้วก็ขีด04474 04474และขีด9นะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพยายามฝากทางสถานีเอาไว้ด้วยเผื่อท่านใดมีความสนใจอยากจะโทรมาถามซ้ำก็จะได้ถามซ้ำที่นั่น หรือว่าจะถามไปที่เพียวธรรมะ c o m นี่ได้ไหมคะทั้งคะเอ่อก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกได้เลย w p d h s .org w w วัดป่า w p ใช่ไหมวัดป่า d h s ก็ดอหโ d h s s อ่ด .org .org นะคะเว็บไเว็บที่นั่นเข้าไปดูกันที่นั่นก็ได้ก็ขออนโมนากับทุกท่านแล้วก็ในตอนนี้ก็ลา ขอบพระคุณท่านพิบูนนะคะที่เตตาให้ความรู้พวกเราคะ่า<น>ะด้วยควางที่ครบรักาดิชันสันตีนาภงนะคะก็ขอากาศบุญผ่านทางรายการนี้เพราะดิฉันเชื่อว่าคมีหลายคนที่แม้ฟังพระอาจารย์มานานไม่มีโอกาสจะไปวัดยังไงก็มีโอกาสทำบุญกับทางวัดนะคะที่จะได้ไปสนับสนุนพระสงค์ที่ได้ทำหน้าที่ของประสงค์ที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะที่จะสอน มีการสอนการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นประจำทุกเดือนกันที่นั่นนะคะเช่นเดียวกับที่วัดนาป่าพงซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะกลับเรียนถามท่านมาให้กับท่านฟังในโอกาสต่อไปก็แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ